ตอนที่สองนกเขาไม่ขันชูชื้อเริ่มโลดลานรีบโบกมือปฏิเสธน้องเยโยดังงามราวกับดอกท้อกลิ่นอายดั่งเซียนทั้งยิ่งเป็นยอดหญิงอันดับหนึ่งในเมืองหลวงข้าเกรงว่าตระกูลชูเป็นเทียงพ่อคาสามัญชนเกรงว่าจะไม่คู่ควรท่านปู่และท่านแม่ทับทั้งสองคงจะไม่เห็นชอบเยี่ยมองเห็นความผิดหวังที่พาดพานดวงตาของเขาอย่างชัดเจนขอเพียงเขามีใจให้นางเรื่องที่เหลือก็จัดการได้ง่ายแล้วพ่อค้าสามัญชนแล้วอย่างไร ท่านปู่ท่านยา่าท่านพ่อและพี่ชายต่างก็รักใคร่ยอ่อๆยิ่งนักหากข้าเอ่ยปากพวกเขาไม่มีทางปฏิเสธหรอกพี่ชูชือ้อท่านเพียงบอกเยาเยามาว่าพรุ่งนี้ท่านตัมใจจะมาสู่ขอเยาเยหรือไม่ชูชื้อลำบากใจอย่างยิ่งการที่เย่เยานัดพบเขาในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากพออยู่แล้วเดิมทีเขาคิดว่าคงเหมือนกับเย่หัวพี่ชายของนางที่เพียงแค่อยากมาพบประพูดคุยตามปภาษาคนคุ้นเคย ใครจะไปคาดคิดว่านางเปิดปากมาก็ขอให้เขาไปสู่ขอนี้เป็นการบอกอย่างชัดแจ้งว่านางต้องการแต่งงานกับเขาชูชื้ออดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองเยี่ยยาวที่อยู่ตรงหน้าอย่างละเอียดใบหน้าจิ้มลิ้มราวกับภาพวาดดวงตาดั่งดวงดาวทอประกายระยิบระยับหัวใจพลันเต้นผิดจังหวะชูชือรีบก้มหน้าลงแซงกระแอมไอสองครั้งเพื่อปกปิดอาการเหยาเหยาเหตุใดเจ้าถึงให้ข้าไปสู่ข อ, อกระทันหันเช่นนี้ การจะสั่นคลอนคนอย่างชูชื้อได้นั้นต้องใช้ความจริงใจอย่างที่สุดจะมาทําเป็นเล่นลิ้นหลอกล่อไม่ได้เย่เยาวกล่าวว่าข้าเชื่อว่าพี่ชูชื้อคงได้ยินข่าวลือมาบ้างฟาบาดทรงมีพระประสงค์จะพระราชท า, านงานมงคลให้ข้ากับซื่อจือองซินเมื่อได้ยินชื่อของตนเองถูกเอ่ยถึงลิ้นเซินที่อยู่ห้องข้างๆก็เลิกคิ้วสูงขึ้นทันทีชูชื้อพยักหน้าฟาบาดทรงต้องการใช้เรื่องนี้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งของทั้งสองตระกูลในราชาสำนักถูกต้องแล้ว เย่ยยาถอนหายใจเบาๆที่ชูชื้อคงเคยได้ยินมาบ้างว่าซื่อจือ อ, องซิ้นผู้นั้นมีปัญหาเรื่องการมีบุตรชูชื้อรู้สึกรกระอักกระอ่วนเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาจริงๆส่วนลินเซิร์นที่อยู่ห้องติด ก, กันเริ่มรีตาร์ลงอย่างเป็นอันตรายสาวใช้ห้องข้างถูกส่งไปที่เรือนของซื่อจือไม่ขาดสายพระชายาเองก็ทั้งตามหาหมอทั้งอ้อนวอนเทพเจ้าแต่ก็ไม่เห็นซื่อจือจะมีทายาสักคน ที่ชูชื้อท่านไม่รู้หรอกว่าซื่อจืออ่องสิ้นผู้นั้นมิใช่ว่ามีบุตรยากแต่เขานกเขาไม่ขันชูชื้อสูดลมหายใจเข้าลึกจนตัวแข็งทื่อเจียนเจียและไปลู่ที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะปาดเหงื่อเพื่อให้ได้แต่งกับคุณชายตระกูลชูคุณหนูของพวกนางถึงขั้นทุ่งสุดตัวจริงๆหลินเซินที่อยู่ห้องข้างๆลุกพลุกขึ้นทันทีเด็กหนุ่มสองคนรีบกดตัวเขาลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับปลอบประโลมสารพัดกว่าจะระงับโทสะของเขาไว้ได้เย่เย่หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้้นนมานาาซัํตพลงื้น หากแต่งเป็นมิ้เท่ากับต้องครองตัวเป็นไม้ทั้งที่สามียังอยู่หรอกหรือพี่ชูชื้อท่านตัดใจเห็นเยอยอตกนรกทั้งเป็นทําลายความสุขชั่วชีวิตไปเช่นนี้ได้ลงคอเชียวหรือโฉมงามหลังน้ําตาคุณชายย่อมเสะเตือนใจชูชื้อจะทนเห็นนางร้องให้เสียใจขนาดนี้ได้อย่างไรเพียงแต่เขายังไม่หายจากอาการตกตะลึงนี่ซื้อจื่อผู้นั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือแต่เยาวๆเจ้าไปรู้เรื่องนี้มาได้อย่างไร สาวใช้ทั้งสองคนก็หันขอบมามองเยี่ยยเอเป็นตาเดียวเยี่ยยเาเย่ยยเอาบังเอิญไปเจอสาวใช้คนหนึ่งที่ถูกไล่ออกจากจวนอองนางเคยเป็นสาวใช้ห้องข้างของซื่อจื้อมาก่อนชูชื้อถึงกับบางอ้อส่วนเจียนเจียและไป๋ลู่ต่างมองหน้ากันไปมาคุณหนูไปเจอสาวใช้ที่ถูกไล่ออกจากจวนอองตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลินเซินที่อยู่ห้องข้างๆยิ่งกัดฟันกรอดนั้นเฟิงฉันจะวิ่งไปสืบมาให้ดีว่าสาวใช้คนไหนปากพร้อยเช่นนี้ เด็กหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะรับคำอย่างรู้ใจเยีย่ยยาเสะอื้นต่อราชาองค์การพระราชาทานงานมงคลจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หากข้ามั่นหมายเสียก่อนฝาบาทก็คงไม่ทรงบังคับฝืนใจที่ชูชื้อหากท่านไม่ชอบเยว่ยยในภายหน้าท่านจะรับภรรยาน้อยหรืออนุอีกกี่คนเยี่ยยก็จะไม่ขัดขวางเลยตกลงหรือไม่คำขอร้องอย่างต่ําต้อยของนางทําให้หัวใจของชูชื้ออ่อนระทวยราวกับสายน้ําในทันที เยาเยาเจ้าคือบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกงการได้แต่งเจ้าเป็นภรรยาถือเป็นวาสนาสามชาติพบของข้าชูชื้อแล้วข้าจะกล้ารับภรรยาหรืออนุคนอื่นเพิ่มได้อย่างไรเยี่ยวยวคว้าแขนเสื้อของเขาไว้เช่นนั้นที่ชูชื้อท่านรับปากยาเยาแล้วใช่หรือไม่ชูชื้อลังเลอีกครั้งเขายังไม่ทันได้คิดเต็มตองถึงความเกี่ยวพันอันยุ่งเหยิงที่จะตามมาทว่าดวงตาคลอคลาน้ำตาที่ดูน่าสงสารของหญิงสาวทำให้ใจของเขาอ่อนย้วยจนได้เป็นชิ้นดีไม่อาจตัดใจปฏิเสธนางได้ลงจริงๆ ยาเยาบางทีลองคิดดูอีกทีว่ายังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่อย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเจ้ายังไม่ทันที่เขาจะกล่าวจบเยาเยาวก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดหน้าพลางร้องให้โฮอยาเยาเข้าใจพี่ชู่ชื้อมีความกังวลย่อมเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรเสียเรื่องการแต่งงานก็ต้องเป็นไปตามคําสั่งของบิดามารดาในเมื่อเป็นเช่นนี้เยาเยาก็จะไม่ฝืนใจพี่ฉู่ชืออีกเจ้าคะข้าข้าจะไปหาใครสักคนที่หน้าตาผดูได้และไม่รังเกียจเยาเยาแล้วแต่งงานไปเสีย หยาดน้ำตาลากับไขมุกร่วงหล่นลงมาไม่ขาดสายทำเอาชูชื้อร้อนรนจนทําตัวไม่ถูกเหยาเหย่ า, ยาเจ้าอย่าร้องจะเป็นถึงบุตรสาวสายตรงของจนกัวกงฐานะสูงส่งจะแต่งงานกับพวกชาวบ้านร้านตลาดตามใจชอบได้อย่างไรแล้วจะให้ทําอย่างไรเล่าเจ้าคะเย่ยองเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาฉ่าน้ําแต่งให้กับชาวบ้านธรรมดายังดีกว่าแต่งเข้าจวนสิ้นอองไปอยู่เหมือนตายทั้งเป็นไม่ใช่หรือเจ้าคะแต่ว่าชูชื้อร้อนใจจนกำหมัดแน่นเข้าออก แน่นอนว่าในใต้ล่านี้จะมีบุรุษคนไหนดีพร้อมเหมือนอย่างพี่ชูชื้ออีกเย่เย่ยก้มหน้าซับน้ําตาทว่าหางตากลับลอบสังเกตเขาพรางรุกหนักต่อไปวันหน้าไม่เย่เย่แต่งเข้าบ้านสามัญชนต่อให้ลําบากเพียงใดข้าก็จะอดทนพี่ชูชื้อไม่ต้องโทษตัวเองหรอกเจ้าข้าท่านมีความกังวลย่อมเป็นเรื่องที่คอข้ารับปากอย่างไม่ทันที่เย่เย่จะพูดจบชูชือ้อก็กัดฟันตอบตกลงพรุ่งนี้ข้าจะไปสู่ขอเจ้าที่จวนกัวกง ยามที่เขาอายุสิองแล้วได้พบกับนางในวัยหกขวบนางเอ่ยด้วยน้ําเสียงอ่อนอ่อนไร้เดียงสาว่าอยากแต่งงานกับบุรุษผู้สง่างามเช่นเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ใจสั่นไหวเสียแล้วเด็กน้อยที่งดงามประนีเพียงนั้นเขาอยากจะประคองไว้ในอุ้งมือเพื่อปกป้องดูแลในทุกวันทว่าฐานะของนางสูงส่งดังด่งดวงจันทร์ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมส่วนเขาเป็นเพียงสามัญชนพ่อค้าจะกล้าฝ่ายสูงได้อย่างไร แต่ยามนี้นางกลับเป็นฝ่ายเอ่ยปากให้เขาแต่งกับนางด้วยตัวเองทั้งยังร้องให้เสียใจจนแทบขาดใจเช่นนี้เขาจะใจดํายืนดูเฉยเฉได้อย่างไรฉู่ชืช้อทําไม่ได้ยี่เยาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะลอดถอนหายใจอย่างโล่งอกยกภูเขาออกจากอกได้เสียทีไม่ง่ายเลยจริงๆในที่สุดก็โน้มน้าเขาได้สําเร็จเจียนเจียและไปลู่ยิ่งตกตะลึงจนพูดไม่ออกที่แท้คุณหนูของพวกนางก็รู้จักวิธีปั่นหัวคนได้เก่งกาจถึงเทีงี้นางยิงคงกับพิตตาโตที่ดูไร้เดียงสา ที่ชูชือที่ท่านพูดมาเป็นความจริงหรือเจ้าคะท่านเต็มใจจริงๆหรือชูชื้อกำหมัดแน่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังและหนักแน่นจริงจะไม่ต้องแต่งเข้าบ้านสามัญชนและไม่ต้องอยู่เหมือนตายทั้งเป็นข้าจะแต่งกับเจ้าเองเยีเยยอตื่นตันจนน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มอันสดใสออกมาดีเหลือเกินที่ชูชื้อขอบคุณท่านมากเจ้าคะ่ะวินาทีนั้นชูชื้อถึงกับตะลึงงาน โลกทั้งใบราวกับพรีบานด้วยมวลบุปผาในพรินตาหัวใจในทรงอกเต้นระรัวยอย่างไม่อาจควบคุมบรรยากาศในห้องข้างๆราวกับจะจับตัวเป็นน้ําแข็งนานเฟิงและชังจวินต่างพากันผ่อนลมหายใจให้เบาที่สุดด้วยเกรงว่าจะไปสกิดโทสะของซื่อจื้อที่ดูราวกับรักษ์ผู้นี้กลิ่นอายเย็นเยือกที่กดดันแผ่ซ่านออกมาจากร่างของเขาไม่ขาดสายลินเซินกำมัดแน่นจนแทบแหลกคามือเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองจะเป็นที่รังเกียจและไม่เป็นที่ต้อนรับถึงเพียงนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแต่งกับเขายอดหญิงผู้สูงศักดิ์อันดับหนึ่งในเมืองหลวงผู้นี้ถึงกับยอมลดตัวลงไปอ้อนวอนขอให้สามัญชนพ่อค้าแต่งงานด้วยเขาจ้องมองนานเฟิงและฉังจจวินด้วยความกับแค้นใจก่อนจะเอ่ยถามเปิดซื่อจู่น้ารังเกียจมากนักหรือนานเฟิงชังจจวินนี่มันคำถามชี้เป็นชี้ตายชัดชัด